วันนี้เป็นวันเสาร์ที่เก้าสิงหาคมพุทธศักราชสอง8ันห้าร้สิบดเป็นวันพระวันธรรมสวนรวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมวันเดินทางไปสู่พระนิพพาน เพราะว่าวันนี้จะมีการปฏิบัติธรรมที่จะนำให้จิตใจได้ไปสู่พระนิพพานนั่นเองการจะไปสู่พระนิพพานได้จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติอยู่สองอย่างด้วยกันคือมีการเจริญในขมมะ และมีการเจริญจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถึงจะทำให้จิตใจสามารถไปสู่พระนิพพานได้ตอนนี้จิตใจของพวกเรา <c oughs> ติดอยู่ในกามภพคือภพของผู้ที่ยังเสบกาม อ, อคุณห้าอยู่คือเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพัะชนิดต่างๆเราต้องออกจากการมภพบเพื่อเข้าสู่รูปภพหรืออรูปภพแล้วถึงจะออกไปสู่พระนิพพานได้ขณะนี้เราอยู่ในไต้ภพก็เคย อ, อยู่ในสังสารวัต ที่มีภพอยู่สามชนิดด้วยกันชนิดแรกเรียกว่ากามาภพชนิดที่สองเรียกว่ารูปภพชนิดที่สามเรียกว่าอารูปภพนี่คือภพที่สัตว์โลกทั้งหลายที่ยังไม่ได้ไปถึงพระนิพพานยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดในกามาภพ ก็คือพวกมนุษย์อย่างพวกเรานี้ยังติดอยู่ในการเสพการมาอยู่ติดกับความสุขของรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆอยู่เราจึงมาเวียนว่ายตายเกิดในกามาพบอยู่เรื่อยๆพอร่างกายของเราตายไปใจของพวกเราที่ติดกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ก็จะกลับมาเกิดใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หลังจากที่ไปรับผลบุญผลบาปมาแล้วก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะได้มาเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพ้าชนิดต่างๆไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพราะรสของกามคุณหานี้ ไม่ไม่ได้ให้ความอิ่มความพอแก่ใจแต่กลับจะเพิ่มความหิวความอยากความต้องการเสพรูปเสียงกินลดผพถพะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเหมือนยาเสพติดเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแต่กลับจะมีความหิวมีความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจึงจะเป็นที่จะต้อง กลับมาเวียน่หยตายเกิดในกามมพบอยู่เรื่อยๆพอร่างกายอันนี้ตายไปใจก็จะแยกออกจากร่างกายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ใจมีกามตัณหาความอยากเสพการมรถทั้งหลายอยากจะเสพเรืองเสียงกลิ่นรสผดสะพก็จะดึงให้ใจกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ต่อไปอยู่เรื่อยๆหลังจากที่ได้ไปใช้บุญใช้บาปที่ได้ทำไว้ก่อนพอหมดบุญหมดบาปแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าอยากที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดอยากจะออกจากสังสารวัฏวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ก็จำเป็นที่จะต้องออกจากการมาพบเพื่อเข้าส eh ู่รูปภพหรืออรูปภพก่อนเมื่อได้เข้าสู่รูปภพหรืออรูปภพแล้วจึงจะสามารถออกจากใตรภพได้ออกจากสังสารวัฏได้เพื่อเข้าสู่พระนิพพานได้การที่เราจะไปถึงพระนิพพานได้เราจึงต้องเบื้องต้น ละการหาความสุขจากการมาคุณหให้ได้ก่อนคือเรียกว่าเราต้องออกจากกรรมคุณหาการปฏิบัติเพื่อออกจากกรรมมาคุณห้านี้เราเรียกว่าเนคขมมะเนคขมมะแปลว่าการออกจากกรรมไม่เสพกรรมอีกต่อไปไม่ให้หาความสุขจากการเสพกรรมให้เปลี่ยนวิธีหาความสุข จากการเสพกรามมาเสพความสงบของใจแทนความสงบของใจที่ได้จากการเข้าสมาธิเข้าฌานต่างๆเช่นเข้ารูปฌปานหรือเข้าอารูปฌปานอันนี้คือเบื้องต้นของการที่จะไปสู่พระนิพพานผู้ปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องละการหาความสุขจากการเสพ รูปเสียงกลิ่นรลสะพภาชนิดต่างๆด้วยการปฏิบัติเนคขมะคือการถือศีลของนักบวชคือตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปอย่างเช่นวันนี้ศรัทธ า, ายาโยมบางท่านเมื่อมาถึงวันพระก็จะมาถือศีลแปดมาอยู่วัดกันเพื่อมาปฏิบัติเนคขมะและมาปฏิบัติจิตตภาวนา เพื่อที่จะให้ใจได้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้ให้ออกจากกามมกามมพบเพื่อเข้าสู่รูปะพบหรืออรูปะพบแล้วต่อจากนั้นก็จะปฏิบัติทำอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้ออกจากรูปะพบหรืออรูปะพบเพื่อเข้าสู่พระนิพพานตามลำดับต่อไป ญาโยมบางท่านพอถึงวันพระก็จะเข้าวัดกันถือศีลแปดกันถือศีลอุโบสถสําหรับชาวบ้านนี้เขาจะมีวัดที่มีโบสถ์ที่เขาจะไปอยู่กันในวันพระเช่นวันนี้ไปค้างคืนหนึ่งคืนไปปฏิบัติเนคขมมะไปปฏิบัติจิตตภาวนาไปปฏิบัติวิปัสนาภาวนา ด้วยการฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาขึ้นมานี่คือวันที่เราเรียกว่าวันเดินทางไปสู่พระนิพพานเพราะว่ามีการปฏิบัติธรรมที่จะพาให้ไปสู่พระนิพพานได้นั่นเอง mm hmm. การจะไปสู่พระนิพพานนี้ไม่ได้เกิดจากความปรารถนาเพียงอย่างเดียวความปรารถนาอยากจะไปนิพพานอยากจะไม่กลับมาเกิด อีกแล้วนี้เป็นความปรารถนาที่ดีแต่ไม่เพียงพอต่อการที่จะนำให้จิตใจได้ไปถึงพระนิพพานได้การจะไปถึงพระนิพพานได้จำต้องมีการปฏิบัติที่จะดึงใจให้ออกจากสังสารวัฏออกจากใจพบแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้ได้ซึ่งต้องเริ่มต้นด้วยที่ด้วยการ ปฏิบัติในคขมะคือถือศีลแปดศีลแปดนี้ก็จะห้ามไม่ให้ไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพชนิดต่างๆเช่นศ mm ีล hmm. ข้อสามก็จะเป็นอรรมจริยาเวรามาณี mm hmm. จะประพฤติพรหมจรรย์คือจะไม่หาความสุขจากการร่วมดับนอนกับใครทั้งนั้น mm hmm. แล้วก็ถือศีลหกไม่ให้ รับประทานอาหารตามความอยากต่างๆไม่ให้รับประทานอาหารตามความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารอนุญาตให้รับประทานเพื่อเลี้ยงดูร่างกายได้คือให้รับประทานเหมือนกับรับประทานยา ม, ม, มีเวลามีเวลามีมีปริมาณพอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ไปได้วันวันหนึ่งก็พอแล้วไม่ให้รับประทานแบบพร่ำเพื่อ รับประทานแบบไม่มีไม่หยุดไม่หย่อนวันละหลายๆายครั้งด้วยกันนักปฏิบัตินี้ท่านก็จะรับประทานอาหารไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วหลังจากเที่ยงวันก็จะไม่แตะต้องเรื่องอาหารอีกต่อไปถ้ารับประทานได้น้อยก็จะมีคุณมีประโยชน์ต่อการบาเพ็ญจิตตภาวนาราอจะช่วยกำจัดนิวรณ อุปสรรคที่จะทำให้ไม่สามารถนั่งสมาธิได้นั่นก็คือความง่วงเหงาหานอนความเกียจค้าน<ม>เวลารับประทานอาหารอิ่มๆแล้วใจก็อยากจะนอน ม, มากกว่าที่อยากจะมานั่งสมาธิ<ม>เวลานั่งสมาธิก็จะนั่งแบบสับระงบ<ม>นั่งหลับมไม่ใช่นั่งเข้าสมาธิกัน<ม>แต่ถ้ารับประทานอาหารพอประมาณไม่มากจนเกินไป ความง่วงเหงาเหงานอนด้วยความเกลีดยดค้านก็จะไม่มีเวลานั่งสมาธิจิตก็จะนิ่งสงบเข้าสู่สมาธิได้อย่างง่ายดายไม่ต้องมาต่อสู้กับความง่วงเหงาเหงานอนต่างๆสิ่ง็้อหกนี้คือไม่ให้หาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มต่างๆแบบไม่มีเว ล, เวลาแบบไม่มีประมาณ ไห้รับประทานอาหารพอประมาณพอเลี้ยงให้ร่างกายนี้อยู่ได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ถึงแก่ความตายก็พอก็รับประทานเพียงครั้งละวันละหนึ่งมือหรือสองมือก็พอสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกใหม่ๆก็อาจจะต้องรับประทานสองครั้งก่อนเช้ากับกลางวันแต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติก้าวหน้าแล้วมักจะลดเหลือเพียงมือเดียว เพราะเห็นว่ายิ่งรับประทานน้อยยิ่งทำให้มีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นยิ่งลดอุปสรรคคือความง่วงเหงาหงนอนให้ลดน้อยถอยลงไปทำให้การปฏิบัติสามารถก้าวหน้าไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วกว่าจึงมักจะมีผู้ปฏิบัติรับประทานอาหารวันละหนึ่งมื้อเช่นพระภิกษุ ที่ฝ่ายทำที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดส่วนใหญ่มักท่านมักจะปฏิบัติทุดงขวัดข้อที่เรียกว่าฉันมือเดียวเป็นวัดฉันครั้งเดียวพอเพียงต่อการเลี้ยงเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขได้แล้วจะทำให้ไม่ต้องวุ่นวายกับการหาอาหารมาเลี้ยง อยู่บ่อยๆจะได้ไม่เสียเวลากับการปฏิบัติรับประทานครั้งเดียวจบพอเสร็จรับประทานเสร็จแล้วเรื่องอาหารก็หมดปัญหาไปไม่ต้องมากังวลจนกระทั่งถึงวันรุ่งขึ้นค่อยไปหาอาหารใหม่มารับประทานต่ออันนี้คือเนคขมะคือการไม่หาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ หลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วถ้ามีความหิวมีความหิวน้ําก็ให้ดื่มน้ำเปล่าก็พอน้ําที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอถ้าเสดื่มน้ําเครื่องดื่มที่มีมีสีมีกลิ่นมีรสนี้ก็เรียกว่ายั ง, ย, งยังไม่ได้ปฏิบัติในขัมมะทางทางการดื่มอยู่เพราะยังดื่มเครื่องดื่มที่มีรูป มีสีสันมีสีมีกลิ่นมีรสอยู่ถ้าอยากจะปฏิบัติเนคขมะอย่างบริสุทธิ์ก็ควรจะดื่มแต่น้ำเปล่าก็พอเพราะว่าเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการต้องการจำเป็นจะต้องมีในการดารงชีพของร่างกายร่างกายต้องมีธาตุน้ำคอยเติมให้อยู่เรื่อย แต่น้ำที่ดื่มเข้าไปไม่จำเป็นจะต้องมีสีมีกลิ่นมีรสต่างๆดือมน้ำเปล่าๆนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะละการเสพการละการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วสำหรับวันนั้นหลังจากนั้นหลังหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ดื่มแต่น้าเปล่าๆก็พอ ไม่ต้องหาน้ำชากาแฟไม่ต้องหาเครื่องดื่มมีรสมีสีอะไรต่างๆมาดื่มถ้าหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่ปาอันนี้เป็นการปฏิบัติเนคขมะทางการเสบอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็เพิ่มศิ่งข้อแล้วสิข้อเจ็ด ก, ก็ละเว้นการหาเสพรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบของมหัศรบันเทิงต่างๆการดูภาพประยนตร์การฟังเพลง การไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆหรือตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอารณ์ที่วิจิตรพิสดารเสริมสวยด้วยการทำเเผาทำผมเสริมสวยด้วยการใช้เครื่องสำอางน้ามันน้ำหอมต่างๆซึ่งเป็นการเสพกาม ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติเนคขัมมะถ้าปฏิบัติเนคขัมมะก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่กระทําสิ่งเหล่านี้ไม่เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบของมหรสพบันเทิงต่างๆไม่ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวสถานบันเทิงต่างๆไม่ไปงานเลี้ยงต่างๆไม่เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยวิธีการต่างๆอันนี้เป็นการออกออกจากการหาความสุขทางด้าน ตาหูจมูกนิ้นกายทั้งรูปเสียงกลิ่นรสปวดสะพ้าแล้วข้อที่8ของศีนแก็คือการไม่หลับนอนมากจนเกินไปก็คือไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนให้พักผ่อนหลับนอนตามความต้องการของร่างกายซึ่งเวลาร่างกายมีความง่วงนอนมากๆแล้วนอนอย่างไรก็สามารถหลับได้อย่างง่ายได้ถ้าจะนอน ประมาณสัก4ี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้านอนบนเตียงสำราญเตียงที่มีฟูกหนาๆนะเตียงที่มีความสุขเวลาร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาแล้วใจก็ยังไม่อยากจะลุกใจก็อยากจะนอนต่ออีกจะทำให้สูญเสียเวลาอันมีค่าของการปฏิบัติไปวิธีกําจัดก็คือต้องไม่นอนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆนะมี เป็นเตียงสำราญที่ให้ความสุขมากจนเกินไปให้นอนบนพื้นแข็งๆถ้าเป็นเตียงกเ็เป็นเตียงที่ไม่มีฟูกเป็นต้นเป็นพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าปูด้วยเสือ่อถ้านอนแบบนี้เวลาร่างกายได้พักผ่อนสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแล้วใจก็อยากไม่อยากจะนอนต่อเพราะว่ามันไม่สบายจะได้ลุกขึ้นมาปฏิบัติจิตตภาวนาต่อไป เพราะนอกจากการออกจากกรรมคุณออกจากกรรมมพบด้วยการปฏิบัติเนคขมะแล้วการที่จะเข้าสู่รูปรพบหรืออรูปรพบได้จำเป็นจะต้องอาศัยการปฏิบัติจิตตภาวนาจิตตภาวนาขั้นแรกที่เรียกว่าส ม, มถะภาวนาคือการทาใจให้สงบให้เข้าชานในระดับต่างๆซึ่งมีอยู่สองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่ารูปฌาน ระดับที่สองเรียกว่าอารมูปฌานความแตกต่างของรูปฌานก็อยู่ที่ความสงบความนิ่งและความสุขที่เกิดจากความสงบความนิ่งความสงบความนิ่งของรูปฌานนี้จะน้อยกว่าความสงบสุขที่ได้จากขั้นอารมูปฌานรูปฌานมีแบ่งไว้สี่ขั้น 1, 2, 3, รูปฌานหนึ่งสองสามสี่อารมูปฌานก็มีแบ่งไว้อีกสี่ขั้นอารมูปฌาน หนึ่งสามสี่ซึ่งเป็นการแบ่งความระดับของความสุขระดับความนิ่งของใจขึ้นอยู่กับกำลังของสติของผู้ปฏิบัติถ้ามีปฏิบัติมากจิตกจ็จะนิ่งมากจะสงบมากจะมีความสุขมากถ้ามีสติน้อยก็จะนิ่งน้อยมีความสงบน้อยแต่ความสงบของระดับฌานนี้ก็ถือว่าเป็นความสงบที่ สามารถดึงใจให้ออกจากกามมาพบได้ชั่วคข่าวชั่วขณะที่กําลังของสติมีมากที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบเข้าสู่รูปฌปานได้เวลาที่เข้าสู่รูปฌานใจก็ไม่ต้องเสพกามเพราะได้รับความสุขจากความสงบของรูปฌปานหรืออรูปฌปานอย่างนั้นผู้ที่ต้องการที่จะ ไปพระนิพานนี้เบื้องต้นต้องออกจากการมาพบก่อนออกจากการเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผุดพระชนิดต่างๆก่อนด้วยการถือศีลแปดขึ้นไปศีลแปดก็ได้ศีลสิบก็ได้ศีลสองรอยบเจ็ก็ได้ศีลเหล่านี้ถือว่าเป็นเป็นศีลเนคขมะผู้ที่จะสามารถยับยั้งการไปเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ เพื่อที่จะได้ออกจากการมมาพบได้ต้องมีการปฏิบัติเนคขมมะแล้วการที่จะเข้าสู่รูปภพหรืออรูปภพได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีสติมีการเจริญส ม, มถะภาวนาส ม, มถะแปลว่าความสงบภาวนาก็คือการสร้างความสงบให้แก่จิตใจส ม, มถะภาวนาเป็นขั้นแรกของการภาวนา ขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเป็นการสร้างปัญญาสร้างความรู้จริงเห็นจริงให้กับใจเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาแต่ก่อนที่จะไปสู่วิปัสสนาภาวนาได้ต้องผ่านขั้นที่หนึ่งของการภาวนาก่อนก็คือต้องเข้าเข้าสู่สมาธิเข้าสู่รูปฌานขั้นต่างๆให้ได้ก่อนด้วยการเจริญสมมาทภาวนาคือการทําใจให้นิ่งให้สงบ ให้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆตั้งแต่รูปฌปานขึ้นไปจนถึงอรูปฌปานรูปฌปานสี่และอรูปฌปานสี่ตามลาดับต่อไปแต่ในการปฏิบัตินี้เป้าหมายแรกก็คือให้เข้าสู่รูปฌานสี่ให้ได้ก็พอเพียงต่อการดนึงใจให้ออกจากการมาพบและเข้าสู่รูปรพบ เพื่อที่จะได้ออกจากรูปภพเพื่อเข้าสู่พระนิพพานต่อไปอย่างน้อยจำเป็นจะต้องสามารถเข้าสู่รูปฌานสี่ให้ได้ที่เราเรียกว่าสัมมาสัมมาสมาธิหรืออัปปนาสมาธิก็คือการทําใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นหนึ่งเป็นเอกขัตตารลมสักแต่ว่ารู้มีอยู่บีขาเป็นที่ตั้งของจิตใจ มีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงการที่จะทำให้ใจเข้าสู่รูปฌปานได้เข้าสู่สมาธิได้จำเป็นที่จะต้องมีสติเป็นผู้กำกับใจคอยควบคุมใจให้หยุดคิดปรุงแต่งให้ได้เพราะความคิดปรุงแต่งนี้เป็นผู้ที่จะทำให้ใจไม่นิ่งไม่สงบนั่นเองถ้าอยากจะให้ใจนิ่งให้ใจสงบ ให้ใจเข้าสู่รูปฌานก็ดีอารมูปฌานก็ดีจําเป็นที่จะต้องมีสติกากับใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ได้ในการที่จะทำให้ใจสงบไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ก็ต้องมีอารมณ์ผูกใจเอาไว้อารมณ์ที่ผูกใจนี้เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานก็คืออารมณ์ชนิดต่างๆที่ผู้ปฏิบัติสามารถใช้ เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้าไม่มีกรรมฐานเป็นอารมณ์ผูกใจไว้ใจก็จะลอยไปกับความคิดต่างๆนั่งสมาธิไปกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้เพราะใจยังไม่หยุดคิดใจยังคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้อยู่เรื่อยต้องทาให้ใจไม่ไม่คิดให้ได้ ด้วยการปูกใจไว้กับกรรมฐานเพื่ออารมณ์ที่สามารถดึงให้ใจนิ่งให้ใจสงบได้อารมณ์กรรมฐานนี้ก็มีแสดงไว้อยู่หลากหลายมีถึง40อารมณ์ด้วยกันแต่ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปก็มีสองสามอารมณ์ด้วยกันบางท่านก็ใช้พุทธานุสติคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ โดยการบริกรรมคําว่าพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจโดยให้มีสติคอยกํากับใจบังคับใจให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆไม่ให้หยุดพุดโทโธไม่ให้ไหลไปตัดไปกับความคิดต่างๆเวลาเริ่มต้นนี้พอเริ่มต้นพุโทโธนี้ปั๊บไม่ได้หมายความว่าความคิดจะหยุดทันทีความคิดก็ยังคิดของเขาอยู่ไปเรื่อยๆ แต่เราอย่าไปสนใจให้เราสนใจอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธของเราไปและการจะเจริญสติให้มีกำลังผูกใจอยู่กับพุทโธได้อยู่มากๆก็จาเป็นที่จะต้องมีการเจริญสติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาที่มานั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวต้องพยายามหมั่นเจริญสติผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานไว อย่างใดอย่างหนึง่งถ้ามีการเคลื่อนไหวมีการทำอะไรต่างๆใช้คำบริกรรมพุโทโธก็ไปด้วยก็ได้เดินก็พุโทโธนั่งก็พุโทโธอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่น<ๆ>หรือจะใช้กรรมฐานอีกอย่างก็ได้ที่เรียกว่ากายกตาสติคือการใช้การใช้ร่างกายเป็นที่ผูกใจไว้คอยเฝ้าดู ให้ใจคอยเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกาลังทำอะไรไม่ให้ใจไปที่อื่นให้อยู่กับร่างกายทุกกิริยาบทของการเคลื่อนไหวของการกระทาถ้ามีการฝึกสติแบบนี้แล้วสติจะมีกำลังที่จะคอยดึงใจให้อยู่กับกรรมฐานเวลามานั่งสมาธิเวลามานั่งสมาธินั่งเฉยๆสำหรับผู้ที่ใช้กายกระตาสติคือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย ก็เปลี่ยนมาใช้เป็นอาณาปานสติก็ได้คือมานั่งดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกให้ดูเฉยๆดูลมเฉยๆไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมแต่อย่างใดให้รู้ว่าตอนนี้ลมกำลังเข้าลมกำลังออกให้รู้ว่าลมหยาบหรือลมละเอียดตามความเป็นจริงของลมให้รู้ว่าลมลมหยาบหรือละเอียดลมลมสั้นหรือลมยาวเป็นต้น ไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมแต่อย่างใดเพียงแต่ใช้ลมเป็นที่ผูกใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆถ้าสติยังมีกำลังไม่มากพอก็อาจจะไม่สามารถนั่งดูลมได้ก็อาจจะต้องอาศัยใช้พุโทโธพุโทโธถ้าใช้พุโทโธไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้เพราะนี่เป็นเรื่องของกาลังของสติของแต่ละท่านที่เวลาปฏิบัติมีมากมีน้อย ถ้ามีมากก็สามารถดูลมได้เลยก็ดูลมไปถ้าหรือพุโทโธไปถ้าดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้ก็อาจจะต้องอาศัยการสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ mm. หรือถ้าจะบางท่านก็อาจจะใช้การฟังเทศฟังธรรมเป็นอารมณ์ไปก่อนก็ได้ mm. การฟังเทศฟังธรรมก็เรียกว่าเป็นการเจริญธรรมานุสติ mm. มีสติอยู่การฟังธรรมก็ได้หรือมีสติอยู่การสวดมนต์ก็ได้ สุดไปจนกว่าใจรู้สึกเบาเย็ยนมีสติมากขึ้นสามารถดูลมได้ก็เปลี่ยนมาดูลมต่อไปแล้วใจก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้แล้วก็ถ้าทำบ่อยๆเข้าใจก็จะสามารถเข้าสู่รูปภพได้เวลาที่ร่างกายตายไปใจก็จะไปรับผลบุญของการเจริญสติของการได้รูปฌานด้วยการไปอยู่ในรูปภพ ไปอยู่สวรรค์ชั้นพรมชั้นรูปประพรมถ้าได้อารูปประชานก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นอารูปอรูปประพรมแต่ยังอยู่ในตายพบอยู่ยังมีเพราะว่าฌานที่ได้ได้ได้ได้สร้างขึ้นมานี้มันก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงพอมันอยู่ในฌานได้สักระยะหนึ่งมันก็จะหมดกําลังพอฌานหมด ก็ต้องเคลื่อนลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มเพราะว่ากามความอยากเสพกามก็ยังไม่ได้ถูกกาจัดไปอย่างถาวรเพียงแต่ใช้กำลังของสติของสมาธิกดเอาไว้แต่พอกาลังของสติสมาธิอ่อนลงความอยากเสพกามก็โผล่ขึ้นมาก็จะดึงให้ใจกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มแต่พอมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มักจะไปหาความสุขจากการ ไปเป็นนักบวชกันมากกว่าเพราะมีนิสัยที่จะชอบหาความสุขจากการเสพความสงบของรูปฌานหรือรูปฌานแทนแต่ไม่ค่อยสนใจกับการจะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสไปมีครอบครัวไปหาความสุขจากรูปเสียงต่างกลิ่นรสต่างๆแต่ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ไปสำหรับผู้ที่ได้รูปฌานก็เวลาตายไปก็ไปอยู่ในรูป ในรูปภพภพของรูปปภพ ผ, ผู้ที่ได้อารูปฌานก็จะไปอยู่ในอารูปภพภพของอารูปปภพแต่ยังต้องกลับมาเกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปถ้าอยากจะออกจากตายภพออกจากการมภพรูปภพอรูปภพหลังจากที่ได้ฌานได้สมาธิแล้วก็ต้องเจริญขั้นต่อไปที่เรียกว่าปัญญาหรือวิปัสสนาภาวนาคือสร้างปัญญาให้กับใจ สอนใจให้เห็นว่าพบทั้งสามไม่ว่าจะเป็นการมาพบก็ดีรูปรพบก็ดีอรูปรพบก็ดีล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะเป็นของชั่วคราวไม่ใช่เป็นของอยั่งยืนถาวรมาเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายด้วยกันไปเป็นพรหมก็ต้องเสื่อมลงกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเป็นมนุษย์ใหม่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าอยากจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องหยุดเหตุที่พาให้ใจ ยังกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็คือความอยากั้รอยากเสพกามอยากจะเสเปลู ป, ปชาญและอยากจะเสเปลรู ป, ปรชาญนี่องด้วยการพิจารณาเห็นว่ากามก็ดีรู ป, ปรชาญก็ดีอรู ป, ปรชาญก็ดีลุ้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นเป็นทุกข์ก็มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของของเราเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้อยู่กับเราไปได้ตลอด พอเราเห็นด้วยปัญญาแล้วเวลาเกิดความอยากจะเสพกามเราก็หยุดความอยากจะเสพรูปประชานเราก็หยุดอยากจะเสพอารูปประชานเราก็หยุดพอเราหยุดความอยากที่จะเสพกามก็ดีรูปราารประชานาก็ดีอารูปประชานก็ดีได้หมดแล้วใจของเราก็จะออกจากตายภพไปใจของเราก็จะอยู่ในนิพพานออกจากตายภพก็เข้าสู่ น, นิพพานไปนี่คือ ขั้นตอนของการปฏิบัติเพื่อที่จะพาให้ใจเราออกจากออกจากตายตายภพออกจากสังสารวัฏวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการมาปฏิบัติเนคข ม, มะถือศีนเนคข ม, มะแล้วก็เจริญสมถะภาวนาในเบื้องต้นพอเราได้สมถะภาวนาแล้วเราก็มาเจริญวิปัสนาภาวนาขั้นที่สองให้เห็นไตรลักษณ์ใน ในในตายภพให้เห็นว่าตายภพนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าเป็นของชั่วคราวมีเกิดแก่เจ็บตายในการมาพบมีความเสื่อมของชานในรูปภพและอรูปภพถ้ายังติดอยู่กับความสุขเหล่านี้ก็ยังจะติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการวินว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆถ้าอยากจะออกจากการวินว่ายตายเกิดออกจากตายภพก็ต้องละ ความอยากเสพการละความอยากเสพรูกประชานละความอยากเสพอรูปประชานปป mm hmm. พอละได้ทั้งสามแล้วเจตก็จะไม่มีไม่มีความอยากที่จะดึงให้เจตกรรมมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไป mm hmm. นี่คือขั้นตอนของการเดินทางไปสู่พระนิพพานที่ mm hmm. ศัตธายาโยมจะมักนิยมปฏิบัติกันในวันพระ เราถึงเรียกว่าวันนี้ว่าเป็นวันไปพระนิพานวันเดินทางไปพระนิพานกันดาบใดที่มีการเจริญในขมมะมีเจริญศีลในขมมะมีการเจริญจิตตภาวนาไม่ช้าก็เร็วการไปถึงพนานิพาน์ก็ย่อมเป็นผลที่จะตามมาต่อไปหลังที่พระเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีก็จะต้องไปถึงพนานิพาน์อย่างแน่นอน นี่ก็คือเรื่องของธรรมะที่เอามาแสดงฝากท่านในวันนี้ซึ่งก็พอสมควรแก่เวลาที่ได้กำหนดไว้ก็คือจะมีการแสดงธรรมที่นี่ประมาณ30สนาทีแล้วอีกส0บนาทีก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมก็คือเป็นการเจริญจิตตภาวนาสามถภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้เข้าฌานขั้นต่างๆ ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญสติกำกับใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งซึ่งในลำดับต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันทําใจให้นิ่งให้สงบด้วยการเจริญสติปูกใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานที่เราที่เราที่ที่เราชอบหรือที่เราได้ผล ถ้าเราได้ผลจากการใช้บริกรรพุทโทแล้วก็บริกรรพุทโทไปถ้าเราได้ผลจากการสวดมนต์เราก็สวดมนต์ไปถ้าเราได้จากการดูลมหายใจเข้าออกก็ดูไปจะดูที่ปลายจมูกก็ได้หรือดูที่หน้าท้องก็ได้แต่ไม่ควรขึ้นไม่ควรเปลี่ยนที <minha race> ่ไม่ควรตามลมเข้าตามลมออกให้ดูอยู่ที่เดียวดูอยู่ที่ปลายจมูกก็ได้หรือดูอยู่ที่หน้าท้องก็ได้ แต่ไม่ควรตามลมเข้าตามลมออกอเพราะว่าจะทำให้ใจไม่นิ่งใจจะนิ่งใจจะสงบใจตตั้งอยู่ที่เดียวไม่เคลื่อนไหว อ, อันนี้ก็คือวิธีการปฏิบัติแบบง่ายๆมีสติกำกับใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานที่เราถนัดที่เราที่เราชอบที่ทำให้ใจเราสงบได้ จะใช้อารมณ์ไหนก็ได้แล้วแต่เราเราต้องสังเกตดูว่าตอนนี้ใจเราเป็นยังไงบางทีฟุ้งซ่านมากให้ดูลมไม่ได้ให้พุโทโธไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้สวดมนต์ไปก่อนแต่ถ้าวันไหนไม่ฟุ้งซ่านมากมีสติ ด, ดีสามารถกําหนดดูลมได้เลยหรือสามารถกําหนดพุดโทโธได้เลยก็กําหนดลมไปกําหนดพุดโทโธไปและขณะที่เวลาที่นั่งมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจ อาจจะมีภาพบ้างมีแสงบ้างมีสีบ้างมีอะไรก็ตามอย่าไปตามอย่าไปตามรู้ดึงใจกลับมาผูกไว้กับกรรมฐานเพราะถ้าตามไปรู้ตามไปแล้วมันจะทําให้ใจไม่นิ่งทําให้ใจไม่สงบไม่สามารถเข้าสมาธิได้ น, นี่คือวิธีของการนั่งโดยสังเกตและต่อไปนี้เราก็จะนั่งกันไปจนกว่าจะหมดเวลาประมาณ30นาทีด้วยกัน ตอนนี้เวลาสาหรับการ น, นั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกขอให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีหรือไม่ถ้าสงบดีก็ให้จำวิธีนั่งของวันนี้ไว้แล้วเวลานั่งคราวหน้าก็ใช้วิธีเดิมได้เลยจิต <c oughs> ก็จะสงบเหมือนเดิมแต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบนี้จะไม่ทาให้จิตสงบได้ ต้องรู้จักวิธีนั่งที่ถูกต้องถ้านั่งแล้วยังไม่สงบ ก, mm hmm. ก็เป็นว่าแสดงว่าสติเรายังมีกำลังน้อย mm hmm. ก็เหมือนจจเจริญสติสร้างสติอยู่บ่อยๆในระหว่างวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเราสามารถจเจริญพุโทโธพุโทโธได้ตลอดเวลาหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ตลอดเวลาเราต่อไปเวลานั่งคราวหน้าจะมีสติมากขึ้น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 จันโทปนาราโสยธามณีโชติราโสยธาสัพิติโยวิวาจันโุสัพพโรโวินัสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศิลิสะนิจังุธาปจายโน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 พอหลังจากเลิกแล้วจะไม่ว่างจะมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะไม่ได้ตอบถ้าอยากจะถามขอให้ถามในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อ น, นี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เรียนพระอาจารย์ค่ะ วันนี้มีผู้รับฟังธรร ม, มานุกติจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ302ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์สาิบ YouTube เดอะทวีสสิวิทยุ 11, 1, ออนไลน์11บเ Clubhouse หนึ่งนกกุติสองรวมทั้งหมด869้อท่านคะ่ะมีคนอยากจะถามก่อน กับนวัตการพระอาจารย์ะคะ่ะคำถามที่หนึ่งานั่งเราแบบมีอาการเหน็บชาอย่างเงี้ยคะ่ะเราควรจะเปลี่ยนท่าหรือว่าก็ทนมันไปอยู่ก่อนคะ่ะถ้าไม่เปลี่ยนได้จะดีเพราะถ้าเปลี่ยนท่าก็เหมือนกับเริ่มต้นใหม่กลับไปเริ่มต้นใหม่ ต, ตอนที่มันมีอาการนะคะมันก็จะไม่สามารถที่จะสวดมนต์ต่อได้ะคะ่ะมันก็จะไปเพ่งอยู่แต่อาการเจ็บก็ต้องต้องฝึกสติให้มากขึ้นก่อนที่จะมานั่งเพราะว่า ถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่สามารถกำกับใจให้สวดมนต์ต่อได้แต่ถ้าเรา ม, มีสติเราก็อยู่ับบทสวดมนต์ไปเราไม่ไปสนใจกับการเนน็บชาเดี๋ยวาการเหน็บชานั้นก็จะหายไปงั้นถ้าเราขยับใหม่ก็เท่ากับเรากลับไปเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่แล้วพอมาถึงจุดนี้ก็จะกลับไปใหม่ก็จะติดอยู่ตรงนี้ถ้าอยากจะผ่านไม่ได้ก็ต้องไม่ไม่ขยับ ใช้พุโทโธพุธโทโธแล้วใช้การสวดมนต์ไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจเดี๋ยวอีกสักไม่กี่วินาทเนีเดี๋ยวมันก็ผ่านได้ละเลยนิดเดียวให้ยนะเข้าใจไหมงัม้นพยายามฝึกสติแล้วระหว่างวันให้มากๆก่อนเนี่ยหล้งแต่ตื่นขึ้นมาก็ฝึกสติได้เลยพุโทโธพุธโทโธไปอาบน้านัน่งหน้าแปลงฟันก็พุโทโธไปหรือจะเฝ้าดูว่าร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ก็ได้คอยจดจ่ออยู่กับงานที่เราทําอยู่ แล้วเราจะมีสติมีกำลังมากขึ้นแล้วพอเวลานั่งเวลาเราต้องการใช้สติเพิ่มขึ้นก็จะง่ายพุโทโธพุโทโธแล้วสวดมนต์ไปแล้วอาการเจ็บปวดต่างๆก็จะหายไปเอาไปแล้วก็จะผ่านทุกขเวทนาไปได้ออกไปเวลาเจ็บไายได้ปวดเราจะไม่เดือดร้อนไม่ต้องหายาแก้ปวดมากินเพราะใจเราไม่ปวดปวดแต่ร่างกายร่างกายมันไม่สนใจมันไม่ดูเรื่องมันปวดแล้ไม่ปวด ไอ้ที่ไม่ไอ้ตัวที่ไม่ปวยกับวุ่นวายกับใจไม่ได้ปวยกับร่างกายให้หน่อยไม่นจะเป็นตัวปวดตัวปวดคือร่างกายแต่ใจไม่ชอบความปวดของร่างกายก็เลยทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราฝึกสติให้ใจนิ่งๆเฉยๆปล่อยวางร่างกายอย่าไปยุ่งกับมันมันจะเจ็บก็บไปมันเจ็บไปใจก็สงบใจก็ไม่เดือดร้อนต่อไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ปด่วยขนาดไหนก็อยู่กับมันได้แล้พยายามฝึกให้ผ่าน จุดนี้ไปให้ได้ใกล้แล้วแต่สอบตกทุกทีมาเจอเข้อสอบนี้ก็สอบตกถอยกลับไปตั้งหลักใหม่ั้นพยายามไปฝึกสติให้มากๆก่อนแล้วเวลานั่งสมาธิก็ให้มีสติดีๆแล้วมันจะใจะจะมีกําลังสู้กับความเจ็บได้เวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาแล้วที่พระอาจารย์บอกไว้ไม่อยับไปอยากสงบอะค่ะคือ ถึงบอกตัวเองว่าอย่าไปอยากสงบแต่จริงๆมันก็อยากเหมือนเราอยากกินอะไรแต่ว่าก็บอกว่าไม่อยากกินแต่จริงๆเราก็รู้ว่าเราอยากกินนะคะพระอาจารย์เราจะฝึกยังไงบอกว่าไม่ต้องอยากก็อย่าไปคิดถึงมันไงก็กลับมาทำทำสมาธิของเราเจริญสติของเราไปเรามีหน้าที่สร้างเหตุถึงแม้จะอยากได้แต่อย่าเวลานั่งอย่าไปอยากเวลานั่งต้องทำสมาต้องทำต้องเจริญสติ ถ้าเป็นการบอเอออยากให้อยากให้สงบอยากให้สงบ mm hmm. เมื่อไหร่จะสงบสักทีอย่างนี้ก็ไม่มีวันที่จะสงบได้แต่ถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปไม่สนใจว่าสงบหรือไม่สงบไม่สําคันธ์ขอเรามีสติอยู่กับพุโทโธไปเดี๋ยวใจมันก็สงบได้นะ mm hmm. ถ้าเรายังอดคิดไม่ได้แต่เราไม่ต้องไปทําตามความคิดได้คิดแล้วก็อย่าไปสนใจมันกลับมาทําหน้าที่ของเราคือเจริญสติไปเรื่อยๆ mm hmm. แล้วเดี๋ยว ใจก็จะสงบเองแต่ถ้านั่งแล้วแบบเมื่อไรสงบทั้งทีไม่เหมือนคราวที่แล้วเลยคราวที่แล้วนั่งแป๊บเดียวสงบแต่วันนี้นั่งไม่สงบเลยหมดแต่นั่งคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆใจก็จะไม่มีวันสงบได้ยังไจจาวิธีนั่งที่เรานั่งแล้วสงบแล้วคราวหน้าก็ใช้วิธีนั้นต่อหมดแล้วยังคำถามจกพูดรับฟังหน้ากุฏิค่คะ ขอโน้อมกราบพระอาจารย์หลวงพ่อที่เคารพ อ, อย่างสูงขอความกระจ่างในความไม่ชัดเจนของสิทธิเกี่ยวกับผู้รู้ค่ะ 1. เมื่อผู้รู้เป็นผู้นําไปสู่ความพ้นทุกข์แต่ผู้รู้ไม่ได้ทําให้พ้นทุกข์เมื่อพบผู้รู้ต้องวางผู้รู้เช่นนั้นแล้วจะมีอะไรบอกให้ทราบว่าแจ้งที่สุดแห่งทุกข์ขอกราบขอบพระคุณความเมตตาสิทธิ์จากเชียงใหม่ค่ะ เราไม่ต้องไปสนใจตัวผู้รู้หรอกตัวที่เราสนใจก็คือตัวสังขารความคิดปรุงแต่งหรือตัวกิเลสถ้าใจคิดปรุงแต่งไปทางกิเลสเราต้องหยุดมันเท่านั้นเอง<ม>อย่าไปอย่าไปทำตามความอยา ก, กต่างๆ<ม>อย่าไปทำตามความโลภต่างๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะสงบใจก็จะหมดทุกข์ตัวผู้รู้นี่เป็นตัวที่ไม่ต้องทำอะไรผู้รู้เป็นเหมือนเป็นเหมือนกับสิ่งที่รู้อยู่เฉยๆ แล้วแต่ใครจะมาบอกให้รู้อะไรหรือไม่รู้อะไรเท่นั้นเองแต่ตัวผู้รู้นี่เราไม่ต้องไปสนใจสนใจอยู่ที่สอนให้ผู้รู้นี้ไม่ไปหลงกับกิเลสไม่ไปทำตามกิเลสให้ทำตามธรรมะให้มีสติให้มีปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์เท่านั้นเองโอเคคำถามแรกนะคะจะขอสอบถามว่า การจงกรมกับการทำสมาธิต้องจำเป็นต้องทำควบคู่กันเสมอไปหรือไม่คะคือการปฏิบัตินี่มันแล้วแต่เราปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยถ้าเราปฏิบัติน้อยนั่งวันละครั้งสองครั้งการเดินจงกรมก็ไม่มีความจำเป็นแต่ถ้าเป็นพระเป็นนักปฏิบัติที่ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนจะนั่งไปแต่อย่างเดียวมันไม่ไหวร่างกายมันสู้ไม่ได้พอนั่งไปนานๆร่างกายมันเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมแทนเปลียนิรยาบท อายเส้นยืดสายให้ร่างกายได้ขยับเคยื้อนไม่งั้นเดี๋ยวจะพี่กลนพี่การได้แต่ในขณะเดินเราก็ยังภาวนาอยู่เราก็ยังมีสติเหมือนกับตอนที่เรานั่งอยู่เท่านั้นเองงขึ้นอยู่กับว่าเราปฏิบัติมากหรือปฏิบัติน้อยถ้าเราไปปฏิบัติน้อยเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเดินก็ไม่เดินก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะเดินก็เดินได้ไม่มีข้อห้ามเพราะการเดินมันจะเป็นการง่ายกว่าการนั่งการนั่งมันนั่งเดี๋ยวมันจะรู้สึก จะปวดขึ้นมาง่ายแต่ถ้าเดินนี้มันจะนานกว่าจะรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาเราก็สามารถมีเวลาจระสติได้มากกว่าเวลาที่เรานั่งและบางคนนี้เขาจะเดินก่อนสักพักหนึ่งให้มีสติแล้วค่อยมานั่งต่ออย่างอย่างเช่นจริตเราถูกกับอย่างใดอย่างหนึ่งนี้เราสามารถทำได้ออไดจะจงกลมอย่างเดียวหรือจะทำสมาธิอย่างเดียวก็ได้ข้อสาคัญอยู่ที่สติเดินก็ต้องมีสตินั่งก็ต้องมีสติ ถ้าเดินแล้วใจลอยเหมือนเดินไปช้อปปิง้งตามร้านทั้งสรรค์สินค้าต่างๆดูนู่นดูนี่ไปเดินทั้งวันเดินได้อย่างนี้ก็ไม่เกิดไปอยู่อะไรเพราะไม่มีสติเดินแล้วต้องมีสติกำกับให้อยู่กับพุโทโธก็ได้ให้อยู่กับเท้าที่เราเดินก็ได้ถ้าเราเฝ้าอย่างนี้เราจะมีสติใจจะนิ่งใจจะไม่คิดมากใจจะว่างแล้วเวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายขอบคุณค่ะ คำถามจะพูดเราฟังหน้ากุติค่ะความสุขทางโลกที่เกิดจากการยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นของชั่วคราวใช่ไหมคะแล้วความสุขเป็นกิเลสไหมคะคือตัวความสุขเองไม่เป็นกิเลสแต่ตัวที่ไปยึดไปติดมันเป็นกิเลสถ้าเราไปยึดติดกับความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวพอมันหมดไปมันก็จะทาให้เราเศร้าเช่นเรามีแฟนเราก็มีความสุขกับแฟน เพ อ, อแฟนจากเราไปตายไปหรือทิ้งเราไปเราก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมาแต่ถ้าเราไม่ยึดติดกับความสุขเหล่านี้เราก็ไม่เศร้าเวลาเขาจากออกไปเราก็เฉยเฉยคำถามจากทาง facebook ค่ะคําถามค่อนข้างยาวจะขออนุญาตอ่านให้กระชับนิดนะคะคําถามมีอยู่ว่า ผมมีปัญหาเกี่ยวกับการนั่งสมาธิค่ะคือนั่งแล้วมีสติอยู่กั บ, กบคําบริกรรมพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจดีเอ๊ะขอโทษค่ะนั่งแล้วคิดว่ามีสติอยู่กับคําบริกรรมหรืออยู่กับลมหายใจดีนั่งไปสักระยะขาสองข้างเกรงขึ้นมาเองแล้วก็ดับลงไประยะช่วงหลังเกรงถี่มากขึ้นแล้วก็มีอาการขาค่อยๆเกรงขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเกรงมากที่สุดเท่าที่ร่างกายจะทําได้ จนเข่าสองข้างยกขึ้นแล้วก็ดับลงไปปัจจุบันลองใช้วิธีแก้2 อ, อย่างวิธีแรกคือสั่งให้ร่างกายหยุดมันก็จะหยุดแค่ครั้งนั้นแล้วก็แป๊บเดียวก็จะเป็นใหม่ทำให้ต้องคอยสั่งมันอยู่ตลอดเวลาภาวนาเมื่อก่อนเคยมีปัญหาอาการร่างกายโยกโครงมากและใช้วิธีนี้สักพักมันก็จะหายไปเองแต่ครั้งนี้ไม่สามารถทำได้ ส่วนวิธีที่สองก็คือปล่อยให้มันมีอาการไปไม่ไปสนใจมันโดยตั้งใจให้ตั้งสติอยู่กับคำบริกรรมแต่ผมยังมีสติไม่เพียงพอที่จะไม่สนใจอาการนี้ได้ตลอดเพราะขามีอาการเกรงแรงมากและอาการเกิดขึ้นถี่มากครับ ไม่แน่ใจว่าอาการที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการเพ่งสติมากเกินไปหรือไม่เพราะครั้งไหนที่มีสติไม่ดีมีอาการวูบหลับหรือตั้งสติไม่ได้จะไม่มีอาการนี้และจะเป็นเฉพาะเวลานั่งสมาธิกับพื้นเท่านั้นเวลาเดินจงกรมหรือนั่งบนเก้าอี้จะไม่มีอาการนี้ค่ะเพราะว่าสติเรายังมีกำลังน้อยพอเกิดอาการเจ็บขึ้นมาที่ร่างกายเราก็ไม่สามารถที่จะไป ปล่อยวางมันได้ก็เลยทําให้มีปฏิกิริยาทําให้เจ็บมากขึ้นทางที่ดีก็คือถ้าเรายังนั่งไม่ได้ก็เดินจงกรมไปก่อนก็ได้เดินจงกรมไปแล้วก็บริ仪กรรมพุทโธไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปก่อนเดินจนกระทั่งเรารู้สึกเดินไม่ไหวแล้วอยากจะหยุดเดินแล้วค่อยกลับมานั่งใหม่หลังจากนั้นคิดว่าสติจะมีกําลังมากขึ้นแล้วนั่งก็จะไม่มีอาการทางร่างกาย มีใจก็ไม่สนใจใจปล่อยวางได้ข้อที่สองค่ะเกี่ยวกับการฝึกสมาธิควรเพ่งสติมากน้อยเพียงใดครับข้อที่หนึ่งตั้งใจเพ่งสติอยู่กับคำบริกรรมตลอดเวลาภาวนาหลังจากภาวนาผมจะมีอาการเฉยเฉยไม่เครียดแต่ก็ไม่มีความสุขอะไร ข้อ2ปล่อยสติให้สบายๆระหว่างภาวนาจะมีเผื่อหลุดไปกับความคิดปรุงแต่งบ้างแต่ให้มีสติระดับที่ไม่ให้วูบหลับอาการหลังปฏิบัติทั้งการนั่งและเดินจงกรมในบางครั้งจะรู้สึกโล่งมีความสุขมากจนไม่สามารถบรรยายได้แต่กลัวว่าวิธีนี้จะผิดทางและทำให้ไม่พัฒนาครับถ้ามันสงบมีความสุขมากอันนั้นถูกทางแล้วก็ใช้ทางนั้นน่ะ ทางที่ทำใจให้เราสงบทำให้มีความสุขมากข้อที่สมค่ะแนวทางการพิจรารณาอาสุภะขั้นเริ่มต้นหลังออกจากการภาวนาครับควรเริ่มต้นที่พิจรารณาร่างกายตนเองหรือร่างกายของผู้อื่นครับในช่วงนี้ผมฝึกโดยการเปิดดูคลิปผ่าศพและดูรูปศพครับ แต่ผลที่เกิดขึ้นการมาราคายังไม่ลดลงหรือลดลงน้อยมากครับหรือสำหรับขั้นต้นผมยังไม่ควรพิจารณาจนกว่าจะมีสติที่ดีขึ้นหรือได้สมาธิแล้วครับเพราะทำไปตอนนี้ก็ยังสู้กิเลสไม่ได้ขอแนวทางพระอาจารย์ด้วยครับก็ถ้ามีสมาธิแล้วจิตก็จะพิจารณาได้นานขึ้นจะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นและจะระ ล, ลึกรู้อยู่ในใจ เวลาที่เกิดกิเลสเราก็สามารถใช้ภาพเหล่านี้เข้ามาดับมันได้แต่ถ้าเรายังไม่มีสมาธิพอเราพิจารณาแค่สองสามวินาทีเราก็หยุดพิจารณาแล้วเราก็ไปคิดนะไปพิจารณาเรื่องอื่นไปคิดเรื่องอื่นแทนภาพของอสุภะเลยไม่ฝังอยู่ในใจของเราเราต้องพยายามเอาภาพอสุภะต่างๆเข้ามาฝังไว้ในใจของเราเหมือนกับเราท่องสูตรคูณท่องสูตรคูณนี้เราต้องท่องให้มันจําได้ พอเราจำได้แล้วเราจะคูนี้เราก็ใช้สูตรคูณมาช่วยได้อสุภพก็เป็นเหมือนสูตรคูณนี่เราต้องท่องมันจามันให้มันฝังอยู่ในใจพอเราเห็นภาพสวยๆเกิดการมัลมขึ้นมาเราก็เอาภาพไม่ดีนี่โผล่ขึ้นมาแทนแล้วมันก็จะลบล้างภาพที่สวยงามนั้นได้แล้วการมัามก็จะดับได้คำถามจากทาง Facebook ค่ะ สามีของลูกได้อธิษฐานว่าถ้าเขาได้ทำเรื่องดังกล่าวสำเร็จจะบวชให้สามพรรษาแต่ปัจจุบันสามีของลูกยังไม่พร้อมที่จะยังไม่พร้อมมีทางแก้ไขยังไงบ้างคะก็ถ้ายังไม่ได้บอกเวลาว่าจะบวชเมื่อไหร่ก็ยังก็ยังรอไปได้อยู่แต่แต่ถ้าตายเมื่อไหร่แล้วไม่ได้บวชสพรรษาก็ถือว่าเสียสัจจะโกหกแต่ถ้ายังไม่ตายยังไม่ได้บวชก็ยังไม่ถือว่าเสียสัจจะ แต่ถ้าว่าถ้าบอกว่าถ้าได้ผลปับ๊บจะบวชทันทีอย่างเงี้ยถ้าไม่บวชก็เรียกว่าเสียสัจจะงั้นก็คืออยู่ว่าเวลาที่เราตั้งจิตอธิษฐานว่าเราตั้งแบบไหนตั้งแบบกระชับหรือตั้งแบบลอยๆอย <laughs> คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ ลูกจะใช้ชีวิตในแบบค า, ารวสแบบไหนให้ได้สติมากขึ้นกว่าเดิมและเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคะก็ต้องอยู่แบบสมาธเรียบง่ายมากน้อยสันโดษไม่สังคมไม่พกเคุกับคนท ำ, ทำเท่าที่จาเป็นถ้าต้องคบกันก็คบพอสมควรไม่ให้เสียมาระยาแต่ถ้าสามารถปฏิเสธได้หลบได้ก็หลบไปอยู่คนเดียวไปฝึกสตินั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะไปดีกว่า คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะที่บริษัทมีการทำบุญผมได้รับมอบหมายให้เป็นนายพิธีคอยดูแลจัด ก, การสถานที่และอุปกรณ์ในศาสนพิธีพอถึงวันงานโดนพระที่มาตวาดใส่ว่าทำงานไม่เรียบร้อยรู้สึกหดหูใจและได้นำเรื่องราวไปปรับทุกข์กับเพื่อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกไม่สบายใจมันจะเป็นวิจกรรมมโนกรรมหรือเปล่าครับ เราไม่เปลเป็นการขาดความฉลาดเราไม่เข้าใจว่าเราอยู่ในโลกที่มีสรรเสริญมีนินทาเป็นธรรมดาบางคนเขาก็ชมเราบางคนเขาก็ตำหนิเราเราอย่าไปถือเป็นอารมณ์ถือเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนดินฟ้าอากาศเดี๋ยวร้อนบ้างเดี๋ยวหนาวบ้างเดี๋ยวฝนตกบ้างเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้แต่เราควบคุมใจของเราได้ว่าอย่าไปถือเป็นอารมณ์ ใครก็จะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปสาทู่ไปด่าก็สาทู่ไปชมก็สาทู่ไปแล้วก็จบคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะผมใช้สติเพ่งไปที่เหนือสะดือสักพักใจจะสงบนิ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องไหมครับถ้ามันสงบก็ใช้ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่วิธีของแต่ละคนไม่ต้องไปดูของคนอื่นว่าเขาทาแบบนี้แล้วเราต้องทําแบบนั้นตามเขา วิธีไหนที่ทำให้ใจเราเนื่งให้ใจเราสงบก็ถือว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องสำหรับเราบทดหรืยงังยังไม่มีคำถามใหม่ค่ะมีใครอยากจะถามไหมถามได้นั้น ต, ตอนนี้แต่ถ้าพอเลิกแล้วผมจะมาถามและขออภัยด้วยเพราะมีกิจอย่างอื่นเดี๋ยวคนจะมาขอถ่ายรูปเดี๋ยวคนจะมาลามาอะไรต่างๆวิธีตอนนี้สะดวกที่สุด